แล้วมิให้ทุกอื่นบังเกิดขึ้นได้อีกประการหนึง่งบรรพชาย่อมให้สำเร็จประโยชน์แก่เทพยพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายสนทนาอย่างบัณฑิตหรืออย่างโจรพระเจ้ากรุงสาคูนครได้ทรงฟังพระนาคเกษ็เฉลยปัญหาได้กระจ่างแจ้งก็ไม่ได้มีทางที่จะซักไซจึงหันเหถามปัญหาอื่นอีกว่า